ปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่มีมโนปฏิบัติธรรมญาณิเป็นญาณิศราระจุนเดชินศราระยะการปฏิบัติธรรมต้องมีเรื่องทำแข่งกับวันเวลาในอย่างนั้นต้องไปเสียไปต่อและในศราระ เป็นระยะเวลาเขามีการงานวันที่ยกห้องชาวบ้านโดยเป็นใหญ่โตในเจตนิ ม, มนในการงาน้านที่เสียงไมมีบ้างมกิดโรบควรเราออกของสาเลยแล้ว ผม uh Safe, cumin, flames, awesome. น <lum S 1> ั้นทำบุญอินทรีนนี้ทำบุญนั่งคนนัทำบุญนี้เสียงเครื่องลบลบควรฉะนั้นเวลาียบสงบแต่มีทางอื่นลบควรรอสองวีนเลยทำเช็ญทางจิตทางใจมังใจ ที่ผ่านมาเปงอย่างไรภาษาเป็นอย่างไรแบบอะไรวิสัยคุณต้องติดต่อคดนึกเหตาดูตัวของตัวอย่างนั้นอาจจะพูดปฏิบัติจะนอนใจเน่ยเงินเ่เป็นอะไรจะเกิดการดุอนนาวัดนวาในตานเป็น่าเป็นเมลในตารเป็นอยู่ แล้วก็เดินวนเปลี่ยนไปสู่สายตามสาย่เพราะงจมีเกาะจิอาศัยในธรรมก็ไปเกาะอาศัยในโลกเงื่อโอกาสอันนุยงหลัายทั้งเราในป่วยไ้จิตเริ่นแต่ทำมองเนหลังจิตดัใจในจิตเกาะอาศัยมีเส้นคำเตืน ทุกคนสอบหนึ่งจะทำบำเพ็ญแบบเป็นเห็นแก่การหลับตานอนตางเล่นตางเชิญต่างๆเก็การมาปฏิบัติทุกคนสมมติว่าจะมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติกันได้แ่ไหนเป็นอย่างไรสอบที่ไม่ที่จะรายงานใ่เหมือเวลาเราดูที่อืน่น เรามาดนี้มีความดีทดดั้งส่ององวอย่างไรส่ว น, นตาดูเราเมื่อดูจะรู้ว่าขาดคุณคุณกำไรอย่างไรได้เสียอย่างไรไปอยู่สืบบันสืบคืนกันไปเท่านั้นคามดีอันใดเกิดขึ้นต่อใจตจต่อร่างายเน่าบัน เวลาแย่เข่าข้าไปหัวไข้หกวเป็นสองแม่แน่นอนกนสาวาจจะมากวดเขียวทำให้ร่างกายปวดไขยเหนื่อยมีความตายเหมือนตาไหลมาทุกระยะทุกเวลาทั้งหลับทั้งปืนม่จะเกิดจกเิๆๆเรน่องทีความแก่มังทรงยังนุ่นละความตายก็ตามมาทุกระยะเวลาฉะนั้นการ ที that that? Tim, no? ่เจนาเดี๋ยวแก่ไขเดี๋ยวจิตใจจิตใจฟ้องจิตใจที่วุ่นวายที่เจนาสิของเราที่เปชัวรโอกาสทำกันอย่างรีบด่วนให้เห็นให้เป็นให้ได้ให้ถึงจริงที่เราสองตาเราไม่เห็นไม่เป็น หรือไม่ทำทำดีเด่นส่วนตัวต้องการเราจะไม่เห็นในเกิดขึ้นการแต่ทำเป็นเ่องที่ทาที่ทาใจของเราให้เกิดบบานราะการแต่ทาของตัวแต่ทาลงไปวันนี้ดทอย่างนั้นวันนี้เทอย่างนี้่เป็น เป็นความดีเป็นข่าวัดปฏิบัติเป็นทางรา <c oughs> ําจาัดป่าเต่าเรื่องที่เหนือปัญหาถึงจิตใจยังไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังข อ, องการกระทําเรามีเราไม่เลอยวันเวลาหมดไปตามเรียนคิดถึงขอวัดปฏิบัติอย่ตัวได้แต่ทําเท่านั้นจิตใจมันมีความเยือเดเย็น เือนกันกับพวกที่เขาทำไรทำนเขาปลูกเขาฝังเอาไว้ถือฝนจะยังในปลกดอกออกห้ก็ยังมีใจก็มือในไร่ใาของเราจะออกดอกออกผลให้วันใดวันหนึ่งมีคที่ติดเรแต่ทำบำเพ็ญการติดใจตรงเงือนกันคิงการแต่ทำทั้งนมีความ ซุ่มบิกบานในจิตในใจเพราะในเด็กทำหนึตัวเหนเมาตัวว่ชั่วว่าเสียต่างๆ่างท่าเจ้านาีจะทำบำเพ็ญนอกจากนั้นคนที่จะทำบาเพ็ญด้านภาวนาขอวัดปฏิบัติต่างๆถึงจะไปอยู่ในสถานที่ใดครูอาจารย์ย่อมมีความรักให้เอ็นดูสงสารถึงจะมาเป็น ดีเด่นทางคิดทางใจก่จอใจใส่ใอยู่เหมือนวันใดวันหนึ่งเสร็จองได้กองทิ้งทำงนานความดีมีผู้ออยากแต่ต้องเคาเห น, นื่ยตาเน้นนำจำสอนหากเรามีแต่เด่นแต่เพินแต่ชินแต่ น, น, นอนทำความผาดทำเพียนอะไรอย่างนั้นหนักใจไม่อยากแต่เน้นแต่สอน เนี่ยสอนไปก็จะเห็นทำอะไรให้คนที่สอนอข้อใจนี่เราทุกคนที่หนึ่งมากต่ตีบต้องฝึกฝนอดทนเนี่ยสามาามเปลี่ยนจิต ใ, ใจของเราสะอาดคิดทำพิจารณาทำ แล้วฝึกตายรายจาข์ทั้งตนตามที่อาจารย์ฝกครูอาจารย์นี้สอนจิตใจของเราจะมีความสงบมีความสบายไปแล้วก็กควาปรุงคิดคิดข้อแล้วฝึกติดเคยนรุงไปคิดใลยติดเคข้อวันน้าว <emie> ันจะละถอนจนที่เคย ความเพียงสี่เกลักทำบำเพเป็นขวว่าตายตัวถึงวันถึงเวลาในองนบังับบชาทำเองวันได้ขาดในเด็กทำความเพียรการกหนดเวลาที่สาวไว้ต้องมีความเย่อหยิยงใจแหแก่ตัวเองมีีมีความเพียน เป็นสัยมีความเปียนประจําใจเป็นอย่างนั้นโดยมีการบรรทัดบรรชาเหมนแต่เงนต้นจะต้องเปลนไปเองการเปียนเปนทางที่จะแเนตะปัหับตักแเขาใจที่ ให้ล่วงออกไปอ่าไมมีความเพียนทางที่จะถึงมีมุขที่ไไม่มีเดีนั้นทางศาสนาผู้รั่านจิงมองอากได้ว่ามีเวยนะที่มเกียติคนจะต่ล่วงทุกไปได้เพราะความเพียน ความเพียรก็นองไรเพียรอะไรอี่เพียรละสัววิมเพนดีเพียรบครับจิตบรรัดใจที่ผูกจูไปให้ยุดในทางขั้วอมาคิดมาปรุงหรือมาสงบตัวอยู่ในอดในธรรมเรียกว่าความเพียรมันผูงมันจุงอะไร ไปในทางทั่วหาใจะติสรู้ตัวความปรุงความปุส่วนนี้เคยปรุงคยปรุงมาเป็นเวลางมนานจะเห็นจริงงายความดีอะไรเกิดขึ้นจากความคิดความพรุงส่วนนี้เราก็หักหน้าได้ถ้าเราเนี่ยมีสติมันปรุงมันปรุงมันคิดมันนึกส่วนตัวส่วนโลกก็ ป่อยให้มันมึก ม, มันคิดจนมันอืม่มมันพอกลับตัวมาก็ ว, ว่าตัวดเดินตรงตัวเดิหนหักเพราะว่านะทำอย่างนี้จะปฏิบัติกันปีปีี่เดือนจิตใจตกเป็ี่ยนใจหนักก็กลนะปล่อยใจล่อยตามเหตุการณ์ ห, หาเมืใ่อใจว่าความเพียนที่จะกชำระต่างความเพียนต้องมีสติประกบอบด้วยปัญญาจึงจะที่บอกสังเวยขธรรม หนามาที่จะตับเอาของตัวจากสายวายใใจของตัวให้หมดจบได้ผู้ที่ความเพียรอย่างที่ว่ามานี้นี่แหละผู้ที่จะถือนากถือจิตสดดจะห้ามโลกผ่านตรงกางใจได้ความเพียรในิตาณ บทหายคุณไม่มีเจตีไมมีปัญญาไม่ว่ทโลกทาธรรมาเป็นไปในดับเราทั้งหลายเคศึกษาบางคนเคยศึกษาทางโลกเราต้องควรทางธรรมยเคยศึกษาถึงจะไม่ศึกษาจากสำหรับตำราเราศึกษาจากธรรมชาหรือศึกษาจาก การะดับรับฟังและตัวการศึกษาตรงนั้นการศึกษาอะไรที่เจอาอะไรยิ่ั่วมันก็ไม่ดลมีประโยชศึกษาเ่ปาจำได้เชื่อปาวโดยจิตใจของเราไม่ไปพูดปฏิบัติฟังก็ไม่มีประโยชน์อีกเห นั้นการศึกษาการพิจารณาส่วนใดที่เป็นฝ่ายดีจะทำให้เกิดปฏิบัติทให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปิชาดีามดก็คือลงมือแต่ทำบำเพ็ญการการพิจารณาเห็นว่าเป็นทางที่จะขยไขเรื่องความส่วนต่างๆการพิจารณาอย่างนั้น ยังตึกษามาเปล่าก็ไม่มีคุณค่าไล่ประโยชน์อะไรมีโอกาสเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอันวยให้เป็นการเป็นสมัยที่เกิดขึ้ปฏิบัติจิดขอเรียนอิทั่ น, ท น, นต่างๆต่างๆปฏิบัติแต่วันแต่เวลาเอาคีวิตมาสารประโยชน์จากชีวิตให้ได้ ความแก่คามตายมาถึางก่อนความแก่คามตายมาถึงจะบุญเกิไปอย่างนี้แก่ ม, มากจะเดินยัง้มตเได้แม้นนเพราะ น, นานเาเวนได้ความหนักตหวามตา ย, ยาจะิดจะไปต่างๆเอาความแก่มาเป็นโลบังหน้าทาความเพียรในดเหมืนอนเด็ก เหมือนยันุ่มมันชีวิตมันมีเรื่อยเรื่อยหลายอย่างที่จะหอกวงเวลาหนุ่มเวลาสาวเวลานราราจายังแข็งแรงอยู่อจะทำทำงาามดีโยนไปให้แกเก่อนจริจะทำเมื่อแกแล้วกออ สี่อยองแก่ตัวของทีมเหลือตันหาทุกคนยอบเป็นอย่างนี้เหนั้นจึงเตือนไว้อน่ยอันใดเป็นเราต้องการต้องทำทางศาสนาเองแต่คำวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นการดี้วก็ส่งไปทางน้น ตอนนั้นเชื่อปอดยันมีเชื่อปอดายันมีเห็นยันนีทำยการตายเป็นของในแหนนอนถมอ้ามาชี้เข่าชี้ใจทาอะไรก็ไม่ได้เป็นตายฝาดคุณชาตคนเราถ้าหัดไม่มีสติปัญญาเป็นผู้ปลอมาทางศานงสนาสติเราเป็นตาย มีเป็นอย่างานี้นะพาอะไรมีแต่รูปอย่างกางตัวคิดแทงไปได้เหมือนตุกตาถึงสาราพาจากัวงเงนมีเป็นางิ่งคนดีหมีติดมีสองสายหมือมีติดมีใจเยียดเย็นมือนทำบางเนทางดี เสียตัวแล้วนอีเป็นอย่างนั้นคุณาคาอะไรไม่มีนอกจากใจหนักโลกหนักสงสารเทนั้นทประโยชน์ส่วนตัวก็ได้เนี่ยตัวเองทำเสียตัวเองไม่ได้เสียเอะเสียแผไปนะคนอืกนั่นก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่มีคุความดีอะไรเหตุนั้นเมือเรามี เราเห็นเราเห็นเรารู้ภายในตัวของเราเราก็สามารถที่จะเกลียเกียแค่จะหาสมอื่นได้เพราะเรามีในกาในใจของเราเหมือนสมบัติไทยนเพราะอยากจะให้ให้ได้สมบัติมันมีอยู่เราเนมีอะไรเาว่าขอเข้าาจะเอาอะไรให้ ก็ต <departed. |mt|> ัวเองโสดอยากอยากเต็มอยู่เพราะนั leakage, ้นการบำเพ็ญทำดีการเนี่ยสอนจิตใจมีเป็นของสคัญที่เพ่งแต่ทำบำเพ็ญให้ดีให้เด่แล้วจะเสียคนอม่นกวาเสียได้หรอจะเก็ไว้กมนาเน้นยึดถือให้หน่อยอ่งถ่อมเป็นของเบาของสา ในเลื้อยผ่าเลือยขันเลือยกลิเลือยใจมีหนักเท่าไรผมมีความเบาความสบายเท่านั้นในเนื้อวัดคู่ใจนอกถึงมีหนักที่เาทีกษายากหนักงูหนักเขาวังบางอย่างอาหารผดที่รักษาไม่ดี อดหนักอดทางใจด่างส่วนอดทำทำสองสองของพระเจ้าใจมีมากเท่าไรก็ไม่เคยหนักใจไม่เคยเหียวไมเคยลำพานมีแต่ควาเบาาสบายนก คนใจจ้าคนของผิดดีดีเสกคนชอบเล่นคนเกียจคร้านคนหลงแฉะหลับแฉะนอนคนโง่รับสารในดาพเป็นสมบัติของบัณฑิตของครูดีของคนชั่วเนโง่ คุต้นใจผ่านเป็นคนดีแจกแรกยังมีแจะรู้ทต่อเป็นถูกดีวิเศษเป็นก ส, สกสัสสามารถีเกตรักษาใส่ฟ้าเปชายชนในรัยต า, ามพรมเป็นเป็นสุขได้แจกควแก่วามแจกความตายของค น, นอื่นไม่ได้ทำตัวเองทำตัแก่ในดักผ่าเนเย็นที่จริา แก้ตายอย่างนั้นท่านจึงออกออกพิชิตคมนะจันทีงออกบวช้คิดใกลุมตัเรื่องสมบัติทัศานแตาไปชายนจะ้คิดก่ในเรื่องดัยทธ์การหาแกทุกส่วนตัวเท่านั้นเพราะความแชรวามตายีความแห่แในตายคงมีแน่ เมื่อยัสว่างนีร้อนมีเย็นมีหัมเทียบกันอย่างพิจารณาอย่างหันไปเลยตัดผินใจออกปกติพดลมม่จรดแล้วกัการเป็นอยู่ทุกอย่างถึจะอดอยากอยากจนขนาดไหนเจอกระสัมาจะหาขอทางตามบ้านตา้าโดหันการสวย แต่ก่อนที่เคยเป็นศาสนอย่างไรต่อเมือไปที่หรือมีคนรู้จักมากขึ้นเขาไม่ทราบว่าเป็นสาสตร์หรือเป็นอะไรมาจากไหนอะไรทักมาให้ทานใจตามเหื่อของคนทีขาทานอย่าพระองค์กปรทรงปรวทพอกระทั่งชีวิตไปเป็นวันๆหนึ่งแตงหน้าแต่ตา ภานาบำเพ็ญิตให้สงบตาสงบของข้าองโดยสงบมาต้เวลายงพรยาอยู่โดยสงบตอนแรนาขัญตัคิดได้ตอนเราบวหนวดของเาลืมจัว่าดาว องสองคืออ so ุตสาห์ด้บวการามคนี่ด้บการามบุตรถูคนประชาชนหัวใจถือว่าเป็นพระอรหันตอรหันต์เป็นผู้ดีพิเศษถึงขมมุ่งไปศึกษาดูพอไปศึกษาดีเด็ความต่างใจและมีการสติปัญญาเกบแหมเรื่องวเข้ม เป็นได้เรื่องของการมบัตตามครูอาจารย์สอนอาจารย์หวดนี้่างทำด like, ีขาศาสนาทำดีเขาขาจานยงีที่จะสอนต่ออาจารย์ะดนอ เพราะยังไพอระไทยเรื่องที่เจน่ะเตรียมดีดีเยว่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของการสมาบัเป็นเรื่องาบนเร่องขอกมตเื่องามากเื่อกาน่อขอกมื่องขอาันเรอการสนราัเรขอรบ่มาเการสนรืกมามาามเนัตรมเรื่องตปาัเองก ผลิตที่จะรนาทุกสิงทุกอย่างอาหารการผลัดผทำความเปลี่ยนไปจนแหบตายสลดไปหลายหัวเห็นว่าการทำความเปลี่ยนแบบนี้มาจนใจเกียัจนูงก็ตางหากตางตายมันตายไป เราวรจะเรียนคุ้มค่าแลร่าประโยชน์อะไรเราสอบรับทานอาหารสันอาหารเช้ยก่อนเขาจะอาศัยร่างกายนี้เป็นสี่บันเทียนตีงานกวามดีพอทานอาหารเข้าไปความเจริ่วิสีถึงเป็นครูจีเสี่ยมันบาพระจะไปจ่าเยติสัจคุมานออกบวชเจริญเป็นแปดกระดาษจานเหนืในโลกออกบวชมาก่อนรอคอย พระองค์อยู่พอมาเห็นทำผู้แต่จิตวิยาขอเชื่อมัว่าท่านจะต้องเด็ดขาดเขรู้ว่าท่านทาจริงทมจริงเมื่อทาไปทาไป็ไปนสลบสลายจนเจริญเจริตายตกงเห็นช่างานทำดีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ตกลงเห็นว่ามนใส่ทางแต่เรู้เลยม า, ารับอัตยารมันจะร้องเหืัวว่า ยิ่งถ้าห่าตูมันสาความเทียนเทียนงานสกดยอมากๆเอยนี่ไปก็เป็นโอกาสดีที่จะได้อยู่องเดียวแต่เด็กที่ทเจนนะอาจทำเนี่ยเด็กมีการทุกดีนี้ยมีการหวุนวายกับใครตา่างอย่างต่างกันบังเพี้ยนคุณงานตามดีเป็นเนี่เป็ น, นเหน่งเป็นทีสุดในวันยิ้สาขากุณ่ามี เย็นหกเพนวันนั้นก็ตอนเช้าขัน่าวมาถไปอยากนางสุันดาที่บนบานเทวาก็บ่ายมากหาอสารที่าความเทียนพบวความเยหยาอ่านมาขถวอยัญแก่พระองค์แต่จำ ไอ้ทำเป็นที้หน้าอย่างเป็นของดีของดีอะไรอ่ะนั่งบนฟองยาภาวนาเรามีเสน่ห์อาณาญ่โน่นนี่นั่นสะดวกสบายสบายขนาิันาเหงื่อรวมหายใจสงบไปสงบมาหายใจ มันปุ่งันพุ่งไปที่อื่นกำหนดเวลาออกเวลาเข้าเหมือนนั้นนะต้องใิตเสิงใการโยงไปนอกจิตก็ลงได้รวมหน้เพราะ อ, อย่างลมมันเป็นขอปเกาเกิดบัลป์ออกรจักเข้าคืาา่อ้จักรู้จะตํ า, าหนดและออกตายเข้าเกิดอย่างนี้สัวคู เพราะคนดูเรื่องลมลมหมดยคนตายจะเป็นาเป็นเนียนหรือเป็นใคตอายแต่ลมเขาลมออกนการเกิดการตายเอยรม่างนั้แต่ยังมีลมอยู่จะป่วยหนักขนาดไหนเพราะก็ยังมีว่าตาพระองค์บอกที่เจอนะสงลมคิดตัวรวมได้ย่งต้นคือการฝึกฝน ตัวของท่านและ ว, วันนั้นตั้งใจจริงจังหาเลยเห็นอะไรอไะไรกันในจินตนาการในโลกยังมีความสงสไยในสภาวะอยู่เหนืออะไรการนั่งเวลานี้วันนี้เป็นเวลาสุดท้ายจะตายก็เห้มันตายไปตั้งใจอย่างนั้นถงจะได้ รวมๆได้จะได้ยามจิ้มาเป็นจิวิญญาณศีิญาณเลือดชาติผลหลังได้เชยเกิดเชตายเป็นอะไรอยู่ที่ไหนระลึกได้แกนแก่ทุกภพทุาติมาเกแต่กระทมยามถึงมชิณายา จิตของขึ้นที่เาออะไรที่มันไปก่อกเกิดตัวตาตัวเหยืเหเ่เรื่องใจเหยืจิตเหยื่ออื่นตายมันตายไปตามสมมติงโลใกใจจิตที่ยังมีบริสุธทธิ์รุ่โรจนเจ้เ็มไปด้วยที่เหลือปัหายังสัญลักษ า, า์ตางไม่หมดนี่แหเื่เอจิตทำให้เกิด พบชาติต่อไปําหนดเงื่อนของใจฝนเดินลงไปอย่างนั้แม่พนะนมาติดม่ยางพยยายางันถุงจับเงือนจริงแล้วเกิดขงสัตว์ามตายของสัตว์ามเกิดขงสัตที่ในโลกนี้อโลกอื่นู เข้าใจหัวไปคนนั้นจะตายวันไหนจะตายด้วยโรคภัยอะไรคนเกิดวันนี้กี่คมลูกศิษย์เกิดวันนี้เท่าไรท่านเข้าใจไม่ใช่ท่านโง่หเหมือนพวกเราเข้าใจหมดความเกิดความตายทั้งสัตว์ท่านชิมแต่ิมไมยากมยามสุดท้าย ที่เจอนาเรื่องปฏิยาการคือความตายมาจากอะไรเหลื่อยๆไปไหลลงไปไหลลงไปจนถึงอวิชชาคือจิตเดิมที่ยังอมโอาที่เหลือปัญหาอยู่ตัวนี้แหละตัวสำคัญ ที่จะมีทกชาประปาะเราหลงเราชีเรายึดในใจิตในใจเมือ่อที่เจรณาอย่างอวิชาจิตอวิชาตัวนั้นแยบทายเข้าไปแยบท่ายเข้าไป